ข้อที่4เลี้ยงชีพข้อนี้หมายถึงการจัดระบบความเป็นอยู่ภายในครอบครัวจะดำรงชีพชั้นไหนเช่นเครื่องนุ่งหม่มจะใช้ผ้าธรรมดาหรือผ้าดิ้นหรือผ้าสกอาต์การตัดผมจะตัดร้านขนาดไหน4บาทหบาท6บาท8บาท12บบาทผมจะสระเองหรือจะให้ช่างสระให้การสูบบุหรี่จะสูบขนาดยาตั้งใบจากยาฉุนใบตอง บุหรี่ไทยบุหรี่ซองบุหรี่กระป๋องบุหรี่ฝรั่งแล้วการไปติดต่อที่ต่างๆจะไปรถเมล์หรือรถสาล้อหรือรถยนต์รับจ้างเวลาไปดูหนังจะดูชั้น5บาท10บาท20บาทหรือ30บาทรวมความว่าเราจะต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าเราจะดำรงชีพชั้นไหนตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาการดำรงชีพของคนมี3แบบคือ 1. แบบเบียดกรอ 2. แบบสมตัวและ 3. แบบเกินตัวทั้งนี้เอาตัวเราเองเป็นเกณฑ์พิจารณาเรามีรายได้ขนาดไหนมียศชั้นอย่างไรและมีภาระที่จะต้องจับจ่ายเพียงใดรู้ตัวเราก่อนแล้วจึงค่อยเอาความเป็นอยู่มาเทียบการเลี้ยงชีพแบบเบียดกรอนั้นเป็นเรื่องของคนขี้เหนียวติดข้างทรมานตัวให้ลำบาก แม้มีทรัพย์ก็ไม่พอใจที่จะจ่ายทรัพย์เลี้ยงชีพให้มีความสุขดังเศรษฐีบางคนในเมืองไทยเรานี่แหละมีเงินจนใครใครเรียกว่าเจ้าสัวแต่กินปลาเกลือเป็นอาหารทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่เรื่องชอบแต่มันเป็นเรื่องเหนียวอย่างนี้เป็นการเลี้ยงชีพแบบเบียดกรอแบบที่สองแบบสมตัวเรียกตามภาษาตำราทางศาสนาว่าแบบสมชีพคือเลี้ยงชีวิตพอสมตัว ไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่หรูหรามุ่มเฟือยจนเกินไปเมื่อยังเป็นตาแข่งเจวเรือจ้างสูบบุหรี่ใบาจา ก, ก็เอาดีครั้นได้เป็นผู้แทนราษฎรก็เปลี่ยนเป็นบุหรี่ซิการ์ครั้นหมดวาสนาก็สูบบุหรี่ใบาจากอีกเครื่องกินเครื่องใช้ก็เหมือนกันดูที่พอเหมาะสมกับตัวเรียกว่าดํารงชีพแบบสมชีพส่วนอีกแบบคือแบบเกินตัว คิดจะเอาโก้เอาดีอวดมั่งอวดมีไม่นึกถึงตัวเองใน3แบบนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้แบบสมชีพคือให้สมตัวซึ่งเป็นแบบที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับผู้ครองเรือนคือปลอดภัยทางทรัพย์ด้วยปลอดภัยทางเกียรติยศชื่อเสียงด้วยไม่มีคนครหานินทาส่วนอีกสองแบบนอกนี้เป็นแบบไม่ปลอดภัยเบียดกรนักตัวเองก็ลําบาก คนทั้งหลายก็ตำหนิตีเตียนว่าเป็นคนไม่รู้จักประมาณตัวแบบเกินตัวก็น่าเกลียดกระเดียดไปข้างอวดมั่งอวดมีข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้อแต่ดูหนังชั้นหนึ่งสูบบุหรี่กระป๋องใครจะสรรเสริญจะกำหนดชั้นการดำรงชีพของตนขนาดไหนต้องเอาฐานะตนเองเป็นหลักไม่ใช่เอาชาว บ, บ้านเป็นเกณฑ์เสมอไปเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างใช้ไม่ได้ช้างท้องมันใหญ่มันก็ขี้ก้อนใหญ่ แต่คนเราท้องเล็กก้นเล็กจะขี้ก้อนใหญ่อย่างช้างไม่ได้ใครขืนทําก็ตายเปล่าเปรียบเหมือนว่าคนมีไรายได้น้อยแต่ใช้จ่ายเกินตัวคิดแต่จะแข่งบนแข่งวา ส, สนากับคนอื่นมันทําไม่ได้หรือจะทําได้บ้างก็แค่ต้นเดือนวันสองวันพอตกปลายเดือนประเดี๋ยก็หน้ามืดลมจับคนประเภทเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างมักจะเข้าใจผิดคิดว่า ความโกเกะมีหน้ามีตาอยู่ที่ทำอะไรได้หรูหราเท่าเทียมหรือเกินหน้าคนอื่นแต่ไม่ได้นึกถึงความจริงที่ว่าเสื้อผ้าที่เราแต่งแต่งแล้วสบายตัวและดูโกเกะมันต้องตัดให้พอเหมาะกับตัวตัวเล็กตัดเล็กตัวโตตัดโตไม่ใช่ตัวเราเล็กแต่ไปตัดเสื้อผ้าแข่งกับคนตัวโตเขาแต่งแล้วดูรุ่มร่ามอย่างกับแม่มดอย่างกับพระเจ้าตา ใครเข้าจะชมว่าสวยการใช้ระบบการดำรงชีพก็เหมือนกันต้องทำให้พอเหมาะกับฐานะตัวเองจึงจะน่าชมการดำรงชีพแบบนี้เรียกว่าสมชีพหรือสมชีวิตาที่พระตรัสสอนหลักที่2เกิดเป็นคนแล้วไม่รู้จักหาทรัพย์ก็เสียชั้นมีทรัพย์แล้วไม่รู้จักจ่ายก็เสียเชิงได้พูดไว้ตอนเรือนชั้นในแล้วว่าคนเรานี้กินแล้วไม่ถ่าย หรือถ่ายแล้วไม่กินมีหวังเน่าด้วยกันเรื่องของทรัพย์ก็เหมือนกันต้องมีรับมีจ่ายจึงจะใช้ได้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความสุขเกี่ยวกับทรัพย์จะมีได้ถึงสองครั้งสองคราวสุขที่มีทรัพย์นั้นครั้งหนึ่งแล้วก็สุขที่จ่ายทรัพย์นี้อีกครั้งหนึ่งผู้ครองเรือนที่ฉลาดย่อมกินสุขจากทรัพย์ของตนให้ทั่วเหมือนปลาจาระเมศเจียนที่วางอยู่ในจานเปลมันมีสองซีก สีกบนซีกล่างคนเข้าใจกินเขากินซีกบนหมดแล้วก็พลิกกลับขึ้นกินซีกล่างอีกทีให้หมดเนื้อแล้วจึงทิ้งก้างการหาทรัพย์กับการจ่ายทรัพย์นั้นคนส่วนมากมักจะคิดว่าการหาทรัพย์เท่านั้นเป็นงานสาคัญแล้วก็คิดเอาว่าการจ่ายทรัพย์เป็นงานกลุกล้ยคนเรามีเงินแล้วมันก็จ่ายเป็นทั้งนั้นส่วนมากจึงเรียนกันแต่วิธีหา ความคิดดูเบาในการจ่ายทรัพย์อย่างนี้เป็นภัยแก่คนมีทรัพย์หลายประตูด้วยกันบางคนจ่ายขาดบางคนจ่ายเกินที่ว่าจ่ายขาดนั้นคือจ่ายไม่ครบประเด็นที่ควรจะจ่ายแม้ว่าจะมีเงินถุงเงินถังนั่งจ่ายนอนจ่ายอยู่วันยังค่ำมันก็ไม่ครบประเด็นที่ควรจะจ่ายบางทีมันไปโป่งทางใดทางหนึ่งเสียซึ่งเป็นทางที่ไม่จำเป็นแต่ทางที่จำเป็นเกิดขาด อย่างบางคนเลี้ยงเพื่อนฝูงต้นเดือนปลายเดือนกินเหล้าเมายาครืง้งเครงไม่มีใครสู้ได้แต่ปล่อยให้พ่อแม่ของตนอดอยากมีชีวิตหน้าอนาในตาของชาวบ้านอย่างนี้ก็มีและพฤติการอย่างนี้แหละที่คนมีเงินต้องเสียชื่อร้ายแรงยิ่งกว่าคนยากจนอีกพวกหนึ่งจ่ายเกินคือจ่ายเกินตัวเกินเหตุเกินควรคิดจะเอาดีเอาเด่นแต่ทางจ่าย รู้สึกโกเกะเมื่อตัวควักเงินออกยื่นให้คนอื่นติดข้างจะอวดมั่งอวดมีคนประเภทนี้มักจะไปเจอวิมานทลายเอาภายหลังเมื่อซับหมดหานึกไม่ว่าความอยากจ่ายเป็นสายเดียวกับความยากจนคนที่ยากจนก็เพราะทนอยากจ่ายไม่ได้ถ้าทั้งสองนี้เป็นผู้เป็นคนตาจนก็คงจะเป็นผัวของยายจ่าย เมื่อยายจ่ายชอบขึ้นบ้านใดตาจนก็มักจะติดตามไปอยู่บ้านนั้นไม่เร็วก็ช้ารวมความแล้วจ่ายขาดก็ไม่ได้จ่ายเกินก็ไม่ดีเรามาลองเรียนวิธีจ่ายของพระพุทธองค์ดูบ้างงบจ่ายทั้ง5พุตตาโภคาพระตาพั จ, จาวิตินาอาปดาสุเมอุทธกาดกินาดินนาอโทปัญจบลีกตา อุปถิตตาซีและวันโตสั้นยะตาบรหัมจาริโนยะดัตทั่งโพกมิเช ย, ยะปันดิโตครมาวัสัง่งพระบาลีข้างบนนี้เป็นเสมือนคัมภีร์จ่ายพั์หรือตำรับใช้เงินถอดออกมาเป็นภาษาไทยแล้วได้ความว่าพระองค์ทรงสอนให้ผู้ครองเรือนตั้งงบจ่ายพั์ในห้าทางคือ 1. เลี้ยงดูครอบครัว 2. เลี้ยงเพื่อนฝูง 3. าบำบัดอันตราย 4. ทำพลีทั้ง5และ 5. บริจาคทานแต่และข้อมีเงื่อนไขดังนี้ 1. การเลี้ยงดูครอบครัวงบใจรายแรกที่สุดคือจ่ายเลี้ยงดูครอบครัวของตนให้มีความสุขหมายความว่าเราจะต้องพิจารณาปัญหาสวัสดิภาพของครอบครัวก่อนที่ว่าเลี้ยงดูนั้นหมายถึงเลี้ยงชีวิตด้วยแล้วก็ดูแลสุขทุกข์ให้ด้วย ตามพระบาลีท่านระบุคนในครอบครัวไว้สาประเภทคือ 1. สมาชิกแท้ จ, จริงของครอบครัวคือสามีภรรยาและบุตร 2. ผู้มีพระคุณแก่ครอบครัวคือมารดาบิดาของทั้งสองฝ่ายและ 3. ผู้ธนุบำรุงครอบครัวคือพวกคนใช้หรือคนงานคน3พวกนี้ที่พ่อเจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนจะต้องเลี้ยงดู พวกแรกหมายถึงสมาชิกของครอบครัวจริงๆซึ่งประกอบด้วยผัวเมียและลูกๆ ก, การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลี้ยงดูกันในคนพวกนี้คิดเผลนๆรู้สึกว่าเป็นคำสอนที่ไม่จำเป็นนักเพราะความรู้สึกของสามัญชนทั่วไปสนใจในการเลี้ยงดูลูกเมียอยู่แล้วยิ่งถ้าดูสังคมของชาวชนบทเรายิ่งจะเห็นว่าการเลี้ยงดูลูกเมียนั้นเป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์คือมันเป็นไปเอง ไม่ต้องมีใครมาสอนก็ทําอยู่แล้วแต่ถ้าย้อนมาดูสังคมเมืองหลวงเราจึงจะรู้ว่าคําสอนนี้มีค่าแก่สังคมอยู่มากทีเดียวคนเป็นผัวเป็นเมียกันมีหลายชนิดหลายขนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผู้ชายขอโทษด้วยข้าพเจ้าเองก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันผู้ชายเรานี้มีอยู่ไม่น้อยที่ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ลูกเมียของตนคือมีลูกมีเมียทิ้งๆิ้ ง, งคว้างจะอยากก็ไม่อยา จะเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงชอบคราคาสังลําพังแต่เมียก็ก็อ ย, อย่างชั่วบางรายยังเอาลูกโยนทับถมให้เมียเลี้ยงอีกด้วยเงินทองก็ให้เมียหาเองถึงจะแบ่งให้บ้างก็ไม่พอเป็นยาลูกสามเมียหนึ่งจ่ายเงินให้ร้อยสองร้อยต่อเดือนซื้อแต่ข้าวสารกินเปล่าๆไม่ต้องมีฐานก่อไฟหุงก็ไม่พอกินตลอดเดือนรายได้ส่วนใหญ่ของผัวเกิดตกไปเป็นค่าสโสรค่าเล้า หรืออีกทีก็นําไปบําเรอหญิงอื่นเสียปล่อยให้เมียตัวลูกตัวต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตตามลําพังข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเห็นแต่ก็ไม่ใช่ธุระที่จะเข้าไปสอดแทรกมันเป็นเรื่องระหว่างพาผัวเมียเมียเขาแต่นี่ถือว่าพูดกับท่านผู้อ่านสิ่งใดที่จะเป็นผลดีแก่ท่านผู้อ่านแล้วก็ควรจะพูดกันให้หมดเปลือกผู้ชายที่ยักย่อกเอาความสุขของลูกเมียไปโปรยทิ้งนอกบ้านน่ะมีแยะ แต่ฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันมีอยู่ไม่น้อยที่โวยโอกาสเมื่อได้รับมอบให้เป็นใหญ่ในการเก็บทรัพย์ใช้จ่ายสู่รุ่ยสู่ร่ายนอกเรื่องนอกราวบางคนเอาดีเอาเด่นแสดงความโก้เก๋ในทางผลาญเงินอวดคนอื่นลืมไปว่าเงินทองทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นหยาดเหงื่อของผัวตนความประพฤติต่อกัน ร, ระหว่างผัวเมียนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันข้าพเจ้าเคยเปรียบไว้ว่า สามีเปรียบเหมือนมือขวาภรรยาเปรียบเหมือนมือซ้ายต่างก็อาศัยกันมือขวาเป็นมือหามือซ้ายเป็นมือเก็บจะหาเงินหาทองหาความดีความชอบมือขวาต้องรับงานเต็มที่เขียนหนังสือเกี่ยร้อยกี่พันตัวมือขวาทั้งนั้นแต่พอได้เงินเดือนมาซื้อนาฬิกาก็ผูกให้มือซ้ายซื้อแหวนก็สวมมือซ้ายมือขวาจริงๆไม่มีสมบัติอะไร แต่มือขวาก็ไม่ได้ว่าขออย่างเดียวให้มือซ้ายเก็บให้อยู่เท่านั้นมีนาฬิกาผูกให้อยู่มีแหวนสวมให้อยู่ถ้าขืนทำเป็นมือด้วนมือหงิกมีเท่าไหร่เรียบหมดมือขวาก็รู้จักน้อยใจเป็นเหมือนกันผัวเมียก็เหมือนกันผัวหาเมียก็เก็บแล้วจับจ่ายให้พอเหมาะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เลี้ยงดูครอบครัวนั้น ต้องหมายความว่าต่างฝ่ายต่างเลี้ยงและต่างฝ่ายต่างดูอาศัยความเหมาะสมและความเป็นธรรมสมควรเพิ่มความสุขก็เพิ่มให้ไม่ใช่ว่าแต่งงานกันเมื่อเป็นร้อยตรีเงินเดือน80บาทเดี๋ยวนี้ตัวได้เลื่อนขึ้นเป็นร้อยเอกเงินเดือนก็เลื่อนขึ้นไม่รู้กี่ขั้นกี่ขั้นแล้วก็ยังส่งให้เมีย80บาทอยู่เหมือนเดิมทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกฝ่ายแม่บ้านก็เหมือนกันเอาแต่บน มีผัวคนเดียวเลี้ยงเอาดีไม่ได้มันเจ็บใจนะักที่มันเอาดีไม่ได้นั้นจะเป็นที่นโยบายเลี้ยงดูมันไม่ดีกระมังขอโทษนะบางคนใช้นโยบายแต่แขงแต่แขงว่าเงินหมดเป็นธุระของพี่เงินมีเป็นธุระของน้องคือถ้าเงินมีพี่ไม่ต้องเกี่ยวน้องจะจ่ายเองพี่มีหน้าที่อย่างเดียวถ้าเงินหมดแล้วต้องหามาให้น้องจ่ายให้ได้ นโยบายแบบนี้พ่อบ้านคนใดโดนเข้าแย่ทุกรายเพราะถ้าแม่บ้านคนใดใช้ในโยบายแบบนี้แล้วที่เงินจะพอใช้หายากออกแถลงข่าวทีไรมีแต่แจ้งให้ผัวทราบว่าเงินหมดแล้วเสร็จแล้วก็หันเข้าไปปรับปรุงเสถียรภาพการครัวโดยวิธีตัดเบี้เลี้ยงผัวเมื่ อ, อยังเป็นประจะําแผนกได้รับจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ2 0 0ร้อถึงสามก็เอาดี ครั้นเลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าแผนเกเกิดจ่ายให้เป็นรายสัปดาห์งวดละ 40-50 บาทพอเลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้ากองเกิดจะต้องทำงานรายวันวันละสองบาทถึงสิบสลึงเสาร์อาทิตย์ตัดเข้าคิวรับเบีย้ยเลี้ยงพร้อมๆกับลูกที่จะต้องไปโรงเรียนเสียด้วยจ่ายแล้วยังสั่งให้ซื้ออะไรติดมือมาบ้านตอนกลับจากทำงานเสียอีกไอ้ทองตายแน่ แล้วคอยดูตอนเลื่อนขึ้นตำแหน่งอธิบดีสิรถประจำตำแหน่งก็มีแล้วคุณนายิ่งคิดให้ความสุขความสบายขึ้นไปอีกต้นเดือนทีสั่งคำเดียวกลางวันกลับมาทานข้าวที่บ้านแล้วถ้าอยากได้อะไรก็บอกแล้วก็ตัดเบีย้ยเลี้ยงเงินเดือนหมดเลยจะเป็นที่ว่าห่วงผัวจะทำสตางค์ตกหายหรือเป็นแผนตัดกำลังก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทาประการใดต่อไป เมื่อยังเป็นหัวหน้ า, าแผนกพอไม่จ่ายเงินให้เมียใช้เมียวิ่งโร่ทำตาแดงเข้าไปฟ้องอธิบดีแต่ถ้าคุณนายไม่จ่ายเงินให้ท่านอธิบดีใช้ท่านจะไปฟ้องกับใครทั้งนี้มันผิดมาตั้งแต่นโยบายแล้วเดินนโยบายผิดผลที่สุดก็เสียเอกราชหมดคุณผู้ชายถืออุดมคติว่าเมียดีเหมือนแม่แต่คุณผู้หญิงกลับแปลยติว่าผัวดีเหมือนลูก ผลที่สุดก็เลยต้องเข้าแถวรับค่าขนมพร้อมกับลูกนี่แหละเขาว่ายิ่งทํายิ่งหดไม่รู้ชะตาราศีมันยังไงเรื่องไม่เป็นเรื่องเหล่านี้บางท่านจะคิดว่าข้าพเจ้าพูดเล่นสนุกๆจะพลอยเล่นงานเอาโดยซ้ำอะไรแต่งหนังสือธรรมะธรรมโมพูดเป็นเล่นไปได้ถูกผมพูดเล่นแต่ว่าเล่นกับความจริงเรื่องจริงมันมีแล้วมีไม่ใช่น้อยรายเสียด้วย ประเดี๋ยวท่านผู้อ่านที่ไม่รู้จักความเป็นอยู่ของผมเองจะเข้าใจผิดว่าผมคงโดนอัดก๊อบป้เข้าเป็นลูกน้องของเมียละกำมังจึงได้มาพูดออกในหนังสือนี้ขอเรียนว่าผมเองยังปลอดภัยดีอยู่ทุกประการที่ว่านี้เพียงช่วยสกิดให้ท่านผู้อ่านเท่านั้นถ้าหากจะสะกิดแรงไปหน่อยก็ขอโทษด้วยการสกิดนี้ก็หวังดีแก่ท่านทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการบีบคั้นในทางเลี้ยงดูนั้น บีบจนงวดนักมันก็ไม่ไหวไม่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายจำไว้ว่าผู้หญิงถูกผัวบีบนักก็หนายผู้ชายถูกเมียคั้นนักก็หนีถ้าบีบคั้นไม่มีผ่อนคลายทั้งสองฝ่ายก็หนายหนีแล้วลูกจะอยู่กับใครพวกที่สองคือพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายทั้งพ่อผัวและแม่ผัวทั้งพ่อตาแม่ยายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลี้ยงดูด้วย เรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่นี้ก็เหมือนเลี้ยงดูครอบครัวคือถ้าดูเผลอแล้วก็ไม่น่าจะต้องเอามาสอนกันพ่อแม่ของใครของใครก็ต้องเลี้ยงแต่นี่เป็นความรู้สึกของคนโสดหรือคนแต่งงานแล้วแต่ได้คู่ครองที่มีคุณธรรมพอตัวไม่เคยทําให้กระทบกระเทือนใจในเรื่องทํานองนี้คนที่แต่งงานแล้วกระทําผิดต่อมารดาบิดายังมีอีกมากนะัก ผู้ชายบางคนถูกตำหนิว่าเป็นคนเมาเมียจนลืมแม่และผู้หญิงบางคนก็ถูกตำหนิว่ากลัวผัวยิ่งกว่าพ่อก็มีอย่างไรก็ตามปัญหาหลังแต่งงานยังเป็นเรื่องที่จาเป็นจะต้องพูดกันให้เข้าใจอยู่นั่นเองจะได้ทราบว่าขอบเขตที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติต่ตอผู้บังเกิดกล้าวของตนเพียงใดดีกว่าต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างคุ้มเชิงกันปีหนึ่ง พ่อผัวแม่ผัวจะมาเยี่ยมสักครั้งก็บ่นกระปอดกระแปดว่าพี่น้องข้างผัวตามมาเบียดเบียนหรือเห็นเมียซื้อขนมไปฝากแม่ถุงเดียวก็ตีหน้าเศร้าผ่านคิดว่าเมียขนสมบัติไปบำรุงญาติพี่น้องของเขาฉะนั้นเราพูดกันให้เข้าใจเสียดีกว่าก่อนอื่นทั้งสองฝ่ายจะต้องรับรู้ในเรื่องคุณธรรมคือความกตัญญูกระตะเวทีพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณแก่ลูกตั้งแต่ เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้บำรุงจนกระทั่งปลูกฝังให้มีฝังมีฝาเอาเถอะถึงแม้ลูกบางคนจะตะเกียกตะกายช่วยตัวเองเลือกคู่เองมีเย่ามีเรือนเองแต่บุญคุณของผู้บังเกิดกล้าวก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่หรือบางคนถูกพ่อแม่ของอีกฝ่ายขัดขวางด้วยซ้ำไม่ให้แต่งงานกับตนแต่นั่นก็เป็นความหวังดีต่อลูกของเขา เราจะถือเอาเป็นเหตุขัดขวางอีกฝ่ายไม่ให้ตอบแทนบุญคุณหาได้ไหมลูกทุกคนจำเป็นจะต้องจารึกบุญคุณของพ่อแม่ไว้ในใจอย่างชนิดที่ว่าไม่มีวันลืมดังนั้นการที่เราจะตกลงปลงใจอยู่กินเป็นสามีภรรยากับใครเราต้องรับรู้คุณธรรมอันติดมาในดวงใจของเขาด้วยความกตัญญูนั้นได้จารึกลงไปในดวงใจของเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมารักกับเราแล้ว เมื่อเรารับรักดวงใจของเขาเราก็ต้องรับรู้สิ่งที่ติดมากับดวงใจของเขาด้วยยิ่งกว่านั้นคนที่มีกระตันอยู่ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะหลีกเว้นเสียไม่ได้คือการตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณซึ่งเป็นกิจที่จำเป็นจะต้องทำในเมื่อมีโอกาสจนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้อนี้เราก็ต้องรับทราบการเลี้ยงดูหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีคุนั้น เป็นการแสดงออกจากความกตันอยู่ในจิตใจของเขาอย่าเหมาเอาว่าเป็นการกอบโกยไปหยิบยื่นให้พี่น้องท่าเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางที่ดีที่สุดทั้งผัวทั้งเมียต้องทำด้วยความสุจริตใจมีอะไรพูดกันให้รู้เรื่องดีกว่าทำอย่างลับๆ ล, ล, ล่อๆแล้วทำโดยไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะเป็นชนวนให้เกิดความร้าวรานในครอบครัวต่อไปอีกพวกหนึ่ง ที่พอบ้านแม่เรือนจะต้องใส่ใจในการเลี้ยงดูตามสมควรคือคนใช้หรือลูกจ้างที่อยู่ในบ้านเรือนธรมเนียมปลูกต้นไม้เราหวังจะเชยกลิ่นชิมรสแต่ไม่มีใครเอาน้ําอบน้ําหอมไปรดต้นดอกไม้ไม่มีใครเอาน้ําตาลน้ําอ้อยไปทําปุ๋ยต้นผลไม้ต้นไม้ทุกต้นดูที่ปลายเราจะเห็นดอกบานสะพรัง่งหรือเห็นผลเป็นพวงระยะน่ารับประทาน แต่ถ้าลดสายตาตามลงไปดูที่โคนเราจะเห็นว่าบริเวณรอบๆโคนต้นไม้นั้นมีของน่ารังเกยียจห้อมร้อมอยู่ด้วยจำพวกขี้วัวขี้ควายหรือไม่ก็ขี้เป็ดขี้ไก่กระดูกสตัตว์หรืออย่างน้อยก็ดินชื้นเป็นโคลนน่าเกลียดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นอาหารของต้นไม้ทำให้ต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขาใบก็หนาดอกก็งามผลก็ดกครอบครัวก็เหมือนกัน ที่จะมีความเจริญก้าวหน้าได้ต้องอาศัยเหตุแวดล้อมหลายทางรวมทั้งคนใช้คนงานในบ้านด้วยส่วนมากเรามักจะรู้สึกว่าคนประเภทนี้เป็นคนชั้นต่ำจริงเขาทำงานชั้นต่ำเช็ดขัดปัดถูแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความสำคัญเสียทีเดียวต่ำก็ต่ำอย่างปุ๋ยตามธรรมดาปุ๋ยไม่เคยขึ้นไปอยู่บนยอดไม้มีแต่อยู่ที่ต่ำที่สุดของลต้นคือที่โคน แต่ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ยอดไม้มีดอกมีผลที่น่าอภิรม์ถึงครอบครัวบ้านเรือนเรานี้ก็เหมือนกันงานของคนใช้มันไปฉายออกที่หน้าของนายเสมอถ้าคนใช้ทํางานดีใบหน้าของนายก็เบิก บ, บานยิ้มแย้มร่าเริงถ้าคนใช้เหลวไหลทํางานไม่เรียบร้อยความบูดบึ้งก็จะปรากฏที่ใบหน้าเหมือนกันยิ่งบ้านใหญ่โตถ้าคนใช้ลาออกแล้ว หาคนใหม่ยังไม่ได้ลองดูทั้งคุณผู้ชายทั้งนายผู้หญิงใบหน้าจะบอกความกังวลขึ้นทันทีคนตาดีเวลาดูต้นไม้พอมองเห็นดอกผลบนยอดเขาก็คิดรู้ไปถึงปุ๋ยที่ขนต้นปุ๋ยดีหรือปุ๋ยไม่ดีปุ๋ยมีหรือปุ๋ยขาดมันรายงานที่ยอดถ้าจะดูครอบครัวก็เหมือนกันคนตาดีเขาดูแค่ห้องรับแขกก็รู้ดูว่า ห้องรับแขกมีระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ส ะ, สะอาดสะอ้านไหมกระถนมีใครเทรหรือเปล่าสังเกตดูเศษของในกระถนเป็นเศษของข้ามวันข้ามคืนหรือไม่สังเกตการจัดห้องรับแขกแล้วก็อ่านใบหน้าเจ้าของบ้านถ้านหน้าซีดก็หมายความว่าสุขภาพเสื่อมถ้านหน้าม้อยและเหี่ยใจก็แสดงว่าในบ้านนี้คนเจ็บคนป่วยหรือได้รับทุกข์ ถ้าน่ายุ่งเหยิงไม่ราบรื่นก็แสดงว่าคนใช้ในบ้านไม่สมประกอบต้นไม้ขาดปุ๋ยคนชั้นต่ำในครอบครัวเช่นพวกคนใช้คนงานพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ดูหมิ่นดูแคลนและให้ใส่ใจเลี้ยงดูให้มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพส่วนที่ว่าใครจะเลี้ยงดูขนาดไหนนั่นแล้วแต่ฐานะของผู้เป็นนาย ประกาศสำคัญคือให้กระทาด้วยใจเมตตากรุณาเท่านั้นรวมความว่างบจ่ายลำดับแรกซึ่งเป็น1ในห้างบคือการเลี้ยงดูคนในครอบครัวจะเป็นปัญหาเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มการรักษาพยาบาลหรือสวัสดิการในด้านอื่นก็ตามรวมอยู่ในคำว่าเลี้ยงดูนี้ทั้งสิ้นคนที่ควรได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อเจอเรอนแม่เจอเรอนมีอยู่3าประเภท คือคนที่รวมกันเป็นครอบครัวได้แก่ผัวเมียและลูกพวกหนึ่งคนผู้เป็นต้นเขาเหล่ากอของครอบครัวคือพ่อผัวแม่ผัวพ่อตาแม่ยายนี่พวกหนึ่งคนผู้ที่ทำานุบำรุงครอบครัวให้รุ่งเรืองคือคนใช้อีกพวกหนึ่งนี่คือจินตนภาพของข้าพเจ้าที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวมารดาบิดาเปรียบเหมือนกับลาต้น สามีภรรยาและบุตรเปรียบเหมือนดอกผลส่วนคนใช้เหมือนปุ๋ยรอบขนไม้และการต่อไปอนาคตของครอบครัวสามีกับภรรยานั่นเองจะกลายมาเป็นมารดาบิดาดำรงฐานะลำต้นผัดเปลี่ยนกันไป